นะก็ทำให้จิตใจเราแช่มชื่นเบิกบานนะพร้อมนะที่จะรับฟังสิ่งที่จะเป็นสารัะประโยชน์เป็นทิศทางเป็นแผนทีนะ่ที่เราจะเดินทางนะเดินทางไปสู่ความพ้นทุกขนะ์ซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็ได้ได้นิมนต์พระอาจารย์ทรงศินปนะ์ได้พูดคุยแสดงทมให้พวกเราฟัง ก็ตั้งใจฟังขอในมบุญครับก่ อ, อการอีกครั้งคณนะสงฆ์แล้วก็เจริญธรรมสำเนนคุณแม่ชีนาตธรรมทุกท่านเห็นมีเสีย บ, บอยกับแม่ก็มาด้วยตอนเย็นๆยเมื่อวานก็เจอวันนี้ก็เจ อ, เ, อ, อเป็นวิบหมายที่ดี เป็นชาวบ้านอยู่ข้างวัดแล้วก็มารวมกับคนในวัดทำวัดจดมต์บ้านมีวัดวัดมีบ้านไม่ขัดกันไปด้วยกันได้ก็วันนี้ส่วนใหญ่เราก็ได้ลงมือทำเริ่มต้นเรียนรู้ฝึกหัดการเรียนรู้คือมีอารมณ์มาให้เรียนรู้ แล้วก็ฝึกหัดใจที่มัมเคยไหลไปตามอารมณ์ฝึกหัดมันมันเกิดประสบการณ์การรู้เท่ารู้ทันแล้วก็แตกฉานในเรื่องชีวิตที่เราใช้มันมาถึงอายุขนาดนี้แล้วมันจะมีจริตนิจัยอุวิสัยสันดานทิฏฐิมานะ ความมหังการมังการอัตราตัวตนความยิงพยองความลำพองความทรนงมันมีอยู่พื้นฐานของกินมรรตัวกลัวตายทุกคนสัญชัดยานไม่ซูมก็ถอยสัตว์โลกหลายตัวที่มันออกมาจากรูว่ามันหิวอยากสืบพันธุยอมตายวะนะมนุษย์เราก็มีสมอง เต่ามีกระดองขบมีรูอยู่แต่มนุษย์มีสมองไอ้สมองนี่แหละตัวดีทำให้เราวกบนเกิดการยับคิ้มยับทำเกิดความรู้สึกเออทำไมมันต้องคิดนะมันคิดทำไม วันนี้ได้ตอบมานนั่ปฏิบัติเหมือนกันว่าเออที่ถามถามถามถามาแล้วคือตัวคิดทั้งหมดเลยเป็นกลุ่มที่ภาษ า, าศาสนาเรื่องนิวรธรรมพอดีเดินไปเจอแวก็บอ่าเดินคุยยืนคุยอยู่นะส่วนตัวส่วนตั ว, ว, ตวเข้าถึงตัวปฏิบัติง่ายๆสัมผัสรู้ความรู้สึกตัวอะไรวะสมองวัมคิดเนี่ยละกลัวถูกหลอกกลัวถูกหลอน ไอ้ความคิดเนี่ยคนอื่นหลอกไม่เท่าไหร่ตัวเองหลอกตัวเองน่ากลัวเราจึงต้องรู้จักกลุ่มความคิดเนี่ยนะเวลาปฏิบัตินะการพยาบาทก็คือตัวคิดหุดหงิดนิดเดียวก็คือคิอคอคดอีกละแดดร้อนไม่เท่าไหร่อากาศร้อนไม่ไหลคิดเออมันมีที่ดีกว่านี้อยู่ที่บ้านดีกว่าห้องนอนดีกว่าห้องแอร์ดีกว่าหุดหงิดเริ่มต้นล้ความคิดพยาบาทหมดหงิดเล็กๆ เ, เดี๋ยวกลายเป็นพยาบาท เรื่องไม่ดีทั้งหลายลื้อขึ้นมาเลยในใจของเราบางทีเป็นเรื่องการพอสบายหน่อยเป็นเรื่องการมละคิดในเรื่องของการปรตูกามาคุณไม่การมาโทษนะการที่ไให้คุณกามไม่ได้ให้โทษนะโลกนี้เกิดเพราะการทั้งหมดแหละเนื้ส่วนใหญ่พอจะมีทิฏฐิอยู่มีเอาก็มีงั้นนะ่ะทิฏฐิความเห็นแนละ รู้จักตัวจริงไหมแล้วเราใช้ตัวไหนกันอยู่มิจฉาทิฏฐิและสมาทิิ ม, ม, มีเั่านั้นแหละไม่เอะไรทิฏฐิไม่ต้องทำตามน้ะก็ว่าไงเอ อ, อออหอหมกไป อ, อวยกันไป น, น, น, นั่นก็เป็นทิฏฐิ อ, อ, อีกแต่จริงๆมีความจริงมันอยู่ความจริงก็คือเหตุการณ์มากมายที่มันมันเกิดบางกีก็คิดเหมือนเดิมที่ก็คิดไม่เหมือนเดิม เป็นตัวการตัววยาบาทเรื่องเดียวเรื่องเดิมมันก็จึงต้องเรียนรู้ที่ตัวเราเนี่ยละ่ะความลังเลสงสัยก็ใช่เป็นตัวคิดเองพอคิดแล้วก็ลังเลสงสัยฟุง้งซ่นมีภาษาเรียกหมดเรื่องนิวรธรรมจึงมีคําพูดว่าพระโยคาวจรผู้ที่ปฏิบัติธรรม เรื่อแล้วแต่เจอในวัฏฏธรรมทั้งหมดเข็นโคกขึ้นเขาคิดวับวับวับวับนะมากไายมาไปดียวทที่วัดป่าสุตัวตัวแก่คือรู้สึกตัวตัวรู้เรารู้ตัวรู้สึกตัวตรงนี้มันก็เกิดตัวรู้ที่ํำนาญขึ้นมาตัวรู้ รู้สึกตัวมีสองตัวขณะที่รู้สึกตัวตัวรู้มันก็เจริญจะมีตัวที่ไม่ใช่ตัวคิดเน่ตัวเดียวคือตัวง่วงง่วงเวลาง่วงไม่ได้คิดหรอกมันมาทางไหนเห็นมันไหมที่วันนี้ไม่ให้นั่งแล้วก็พิงต้นเสารว่าตัวเนี้ยมันจะครอบงำเนาะ นั่งพิงหลังสบายปล่อยเนื้อปล่อยตัวหลับตาพิมเดี๋ยวคอพับอยู่กับต้นเสาแหละบอกนั่งห่างๆถ้าสมัยก่อนเนี่ยโหทุกคนหันหน้าใจเหลี่ยมเสายกมือสิบสี่ยังว่าแล้วเวลาง่วงสบะบังงกให้มันแรงๆอีกนิดนึงนะ <c oughs> ทีเดียมก็เข็ดแล้วแหละโดยพิมจะง่วงจำๆอีก <c oughs> <c oughs> เลียมคมคมมเสาร์ม่มต้องฝึกหัดแก้อารมณ์เองสังเกตอารมณ์ตัวเองมันมาทิศทางไหนข้างหลังข้างหน้าข้างบนซ้ายขวาปฏิยามครอบงามยังไงก่อนมันมาหลีหลีสติที่มันลดลงหรือไม่มีหรืออ่อนล้ากำลังไม่พอมันก็โตแน่นอนนะกดหน้าผากกดคิ้วกดตา กดจมูกลมหายใจแผ่วปากค่อยน้ำลายยืดมันเป็นกระบวนการของมันนะล อ, ลองเรียนรู้ดูเสร็จแล้วาหากว่ามันรู้เท่ารู้ทันตอนไหนก็ตามตื่นมันจะวางนะลองคลิกตองเองนิดเดียวเท่านั้นสนะว่างมันจะเริ่มสนุกกรรมาธานะันตัวง่วงเนะี่ยตัวคิดอนะ่ะเป็นอาการง่วงเลยเนี่ยเราทำอาการ กดระบบประสาทรู้สึกได้เลยจากน้อยไปหามากจากมากไหาน้อยนะเห็นเลยถ้าหันกลับมาดูตัวเองดีๆจะไปเฮ้อทำไมเฮ้อไม่พอใจเฮ้อผิดละมั้งปฏิบัติทำเสียเวลาวิธีไหนในโลกเนี่ยปฏิบัติไปเถอมันจะต้องเจอนิวรธรรมทั้งหมดถ้าผ่านเมื่อไหร่จะเลอกเออหายป่วยสติจิต จะได้ดูจิตเป็นถ้าผ่านนิวรณ์ธรรมไม่เป็นดูกายจนเกิดอาการขึ้นมาแล้วก็ไม่ผ่านดูจิตไม่เป็นอย่ามายกเมฆแม้ดูจิตดูจิตดูจิตดูกายยังสงสัยอยู่จะไปดูจิตได้ยังไงนิวรณ์ธรรมก็ยังไม่รู้จักให้นึกถึงเครื่องบินก็นแล้วกันอยู่ภาคพื้นดิน น, นะภาคสนามเมืม่อจะต้องระมัดระวังดีๆนับ1 2 3่5สอ มีระยะอันตรายอยู่ขนาดขึ้นอันตรายสุดๆเราจะไปยนขึ้นมาไต่ระดับขึ้นมาก็ต้องระมัดระวังองศาขนาดไหนความเร็วความแรงขนาดไหนความโคง้งทิศทางพิกัดชัดเจนขนาดที่อยู่บนแม่ก็ไม่เห็นซ้ายไม่เห็นขวาและมต้องเอาอะไรเป็นตัวตั้งเป็นหลักเป็นกรอบเป็นขอเป็นเขต เราก็จะต้องตรงด้วยไม่งั้นก็เดี๋ยวก็บินชนกันเดี๋ยวกบินตกมันก็เหมือนกันแนหะละยกจิตขึ้นมานะยกจิตขึ้นมามนก็เจอนิวรธรรมเราความสึกตัวพิกัดมันเป็นยังไงบ้างเนะมันมีความหลากหลายหลากหลายทางอาการทางอารมณ์แต่ว่าเราก็ไม่ทิ้ง ตัวปกติจิตตัวรู้สึกตัวมีเท้งมันก็จึงไม่หลงเส้นทางพอมันได้พิกัดเข้ามันเนี่ยประมาณสักองหมื่นฟุตถึงสามหมื่นฟุตเป็นเพดานบินแล้วก็นเีลล่ยเโล่งโปร่งถึงไหนถึงกันจะทำอะไรก็ทำ เราก็รู้สึกได้ไปฏิบัติทมการเดินทางรู้แล้วรู้อีกไปแต่ว่าใหม่ๆต้องมีความพอใจในสิ่งที่ทำเดยเพราะเหตุเหตุเราทำแบบหวังผลก็เรียกว่าตัณหาก็ไม่ได้ว่าผิดนะอยากจะพ้นทุกข์แต่ว่าทําไม้ปฏิบัติอยากเฉยๆไปเป็นตันหาหเฉยๆแต่ต้องมือกระทา อยากก็ลงกระทำก็เป็นฉันทะเนาะสำนักที่ระยองอันตรายอยากอยากพึ่งตัวเองเนาะผลิตไฟฟ้าเองก็มีฉันทะในการนะเออทำโซลารูปไฟนะเจตนาว่าจะพึ่งน้ำนกำลังศึกษาเรื่องพยาแรงอยู่ ปกติมีการลักน้ําจากที่สูงลงที่ต่ําตอนนี้มันไม่ใช่การลักน้ําเป็นพยาแล้งพยาแรงมันดึงน้ําจากข้างล่างขึ้นมาแล้วขึ้นมาที่สูงได้นะก็ร่างสุขสาวาามันมีถัง200ลิตรต้องกา ร, ราปริมาตรของน้ําเท่าไหร่กี่ลูกบาทเมตรกี่ลูกบาทนิ้วกี่ลูกบาทฟุตเปลีน้ําความเร็วเท่าไหร่ เคยเรียนมาเรื่องไฮดรลิกอะเคยเรียนมาวิชาไฮดรลิกะสอบผ่านกันได้น้อยทีนี้พอดึงลงมาเนี่ยแรงดึงของมันน้าที่ออกแล้วเป็นระบบสูญยากาศในถัง200ลนะิตรน่ะไอตัวดึงขึ้นมาจากน้ำมาลึกขนาดไหนก็ตามเนเสร็จแล้วเมื่อนผ่านสูญยากาศน้าในแท่งมันเต็มในถังมันเต็ม พอมันดูดมันพ่องนิดเดียวมันจะดึงเพราะนั้นไอ้ท่อส่งเราก็ต้องเอาไว้จุดข้างล่างไอ้ท่อดูดต้องเอาไว้ข้างบนอย่างนี้เราศึกษาแล้วก็ทดลองเนี่ยศึกษาเสร็จก็ต้องทดลองไปยังเอาของจริงก็ทดลองจากอะไรใช้ขวดน้ําใช้หลอดกาแฟหากาวมากาวลาเท็เก็ทดลองแต่เล็กๆย่อสัดส่วนได้ปริมาตรได้ จะแสดงไห้ที่ใหญ่หญสัดส่วนเท่ากั น, นอัตราส่วนจะหนึ่งต่อหนึ่งขวดก็บขวดหรือว่าหนึ่งต่อพันหนึ่งต่อห้าพันจะเป็นถังสองรลิตรถังอะไรก็ตามเลสัดส่วนก็เทียบสัดส่วนเอาจากการทดลอง น, αι น, αι นี่กำลังจะทำพึ่งตัวเองไม่ต้องเสียไฟฟ้าปั่นกันจี้จๆ้จ้ค่าไฟเดือนได้แหละ เราทามอเตอร์ไม่มันดูดได้ไหมแต่ถ้าพยาแรงเนี่ยมันก็ดูดทิ้งดูดทิ้งกันไปเป็นน้ําซับน้ํำซึมน้ําหยดหยดบ่อยๆเรื่ก็เต็มเองหรอกเ mm. นี่ยฉันใดก็ดีไอ้ความรู้สึกตัวเนี่ยตอนนี้เรามาจําลองดูจําลองชีวิตเราดูมาที่วัดวาอารามพระที่ไหนจะไปหลอกไปต้มไปตุนถามหน่อยอาจจะมีแต่ที่นี่เราพูดของจริงอยู่ ไปไตัวฉันท่าที่ทําเหตุตนี้ปราลบเหตุเนี่ยเพื่ออะไรฉันทะระยะจิตติมังส า, าได้ทดลองทดสอบดูฉันทะคความพอใจที่จะทําเหตุระยะขยันก็ไปเด ว, วิธีการนี้อย่านั่งนิ่งนะวิธีการนี้อย่านั่งนิ่งเป็นเทคนิคเลยให้ทําไปเรื่อยถ้านั่งนิ่งมาแล้วเสร็จปล่อยเนื้อไปตัวไปใจไปเรื่อย การวิจัยการเนี่ยอย่านั่งนิ่งเป็นเทคนิคแบบแนวหลวงปู่เทียนเลยให้ขยันทําให้รู้ปัจจุบันอย่าอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีก็คือตั้นหาไงแต่เราพอใจที่ทําเหตุนในฉันทั้งไงเราทดลองพิสูจน์ดูสิจริงมันก็จริงที่เราไม่จริงก็ไม่จริงที่เรานี่แหละพิสูจน์เอารู้สึกตัวจิตใจจดจ่ออยู่สิ่งที่ทําจดจ่อลู่กายลู้ใจ จจก็จดจอ่อคืจดจ่อนะไม่ใช่คำว่าเพ่งนะเพ่งก็คือเพ่งนะไม่ใช่จดจอ่ออย่างนี้นะความหมายอาการประโยคไหนคือประโยชน์นั้นไม่ต้องไปขยายความต่อก็ได้ทีนี้หลังจากที่มีฉันทาวิยะขยันและจิตใจจดจอ่อกับสิ่งที่ทารู้สึกตัวเนะี่ยไม่ใช่รู้สึกตัวอย่างเดียวบางทีมียุงมาตอมก็รู้นะ มันไม่ใช่รู้แค่ตัวเองอย่างเดียวสิ่งที่เราไม่ได้สร้างก็เกิดขึ้นมาพัดลมมาโดนตัวเองก็ะดาผมมาโดนตัวเองก็ะดาผ้าถุงตะโปง่งเสื้อมาโดนเนื้อโดนตัวก็รู้สึกได้ใช่ไหมมันไม่ใช่รู้สึกแค่ที่เราทํามันมีเหตุปัจจัยที่มันมากระทบชีวิตของเรากายใจของเรามากแล้วส่วนใหญ่เราชอบเผลอเช่นมีเสียงอะไรก็หันแล้ว คนที่ฝึกสติมจะเฉยๆแต่รู้ว่ามีเสียงอามันมีเรื่องแบบนี้ด้วยเราเคอยสังเกตปกติเคยสะดุง้งหวาดผวาตอนนี้มันเริ่มนิ่งๆเหมือนกับคนมีมานมีฟอรอมจริงไม่ได้ไม่ใช่จริงๆมันคืออาการที่เรากำลังมีสติตื่นรู้อยู่นะมันรู้หมดนะเรียกว่ารู้รอบกองสังขารก็ได้ กายสังขารการบูงแต่งของกายธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินธาตุลมมันก็รู้ได้ mm hmm. หรือว่าการปูงแต่งของจิตอาการของจิตมันก็รู้ได้ mm hmm. มันยังเป็นความฉลาด mm hmm. ฉลาดด้วยเฉลียวด้วย mm hmm. อันนี้มันจะเป็นพันนาการของมันแน่นอนทุกคนถ้าเราได้สังเกตนะกะเหลียววิมังษาตัวสังเกตตัวนี้ ตรวจสอบดูสังเกตดูมันเป็นองค์ของความสําเร็จทําแไรมันก็สำเร็จหมดนั่นแหละคนที่เปองค์ทางองค์นี้ทำงานก็สําเร็จเรื่องงานอยู่บ้านจะทําแไรมันก็สำเร็จเป็นเรื่องเรา่อาไปเลยละเพราะว่ามันทําด้วยหลักทำทำอย่างมีหลักมีเกณฑ์เราสามารถที่จะได้สัมผัสของรสชาติที่เราทํารสทำมะรถ รสชาติจืดๆไปในจิตใจของเราพร้อมพร้อมใช้ทํางานทําการเพราะฉะนั้นสติประฐานเนี่ยนะมันมองแก่การงานก็เรียกว่าผู้ปฏิบัตินะจะเกิดกรรมมณิโยขึ้นมากรรมมณิโยจิตมองแก่การงานทํางานอะไรมันก็มองไปเรื่องๆไปปริสุทธโธเป็นความบริสุทธิ์ด้วยนะทำด้วยความบริสุทธิ์อย่างนี้น มันไม่ต้องใช้สมองใช้อะไรความจําเดี๋ยวนี้อาจารย์สนใจถามอมไฟจะไม่ดับผมก็ลืมไปแล้วว่าเดินสายไปยังไงไม่ได้จดเอาไปจดเอาไว้ปกติจะจดเอาไว้ในผังในะเวลาทํางานนะ่ะมันจะมีผังทั้งหมดผังไฟฟ้าเรามีผังไฟฟ้าะผัง ป, ปับป่าเรามีผัง ป, ปับป่ามีทั้งหมดนะั่นะแต่ทีนี้มันใหญ่แล้วก็แต่ละรุ่นแตล่ตะละคนมานะ่ะอยากเดินอะไรก็เดินไปเป็นอย่างนี้นะ อีกคนมากับลื้อของเก่าทิ้งเอาของใหม่มัดเดินใหม่ทําใหม่ผังมันมีก็เดี๋ยวคนที่เดินผังไม่อยู่เอาคนใหม่มากัลากไปเติมนั่นเติมนี่เติมนั่นนึกภาพออกไหมสมัยก่อนเนี่ยเขตพระไม่มีไฟฟ้านะมือตืดตือ้อน้ำก็มีต้องหิ้วจา ก, กล่างเงื่อนไปก็ น, นี้ต้องการความสะดวกก็ลากสายกันไปมีมาตรฐานบ้างไม่มีมาตรฐานบ้างมาตรฐานเมนต้องเบอร์สี่ เบอร์สสามสายสายไฟสายดินแล้วก็สาย เ, าเรียกว่าแลนิวตอนอิเล็กตรอนแล้วก็สายดินมีอยู่ทีนี้ก็เลยไปไล่ไลดูมันเกิดอะไรขึ้น